ออมันสงบหมดม่มีเสียงที่เป็นพิษเป็นภัยนรกกวนใจของตัวถึงมีเสียงก็มีเสียงสัตว์ป่าซึ่งไม่ทราบภาษีภาษาอะไรกันยิ่งจึงนเสียงพวกช้าพวกเสือสัตว์ร้ายต่างๆใจก็ยิ่งวกคิดเข้าไปหาธรรม เป็นเสียงธรรมดามันโกใหม่มาเย่อยุ่นเริญัญหาให้เพลิดเทิเนหลงไหลเพราะถือว่าเสียงนั้นมันเป็นเสียงสัตว์เสียงที่สำคัญในการปฏิบัติอัจธรรมก็คือเสียงคนเสียงคนนี้เป็นข้าศึกศัตรตูสำคัญได้ยินแล้วมันต้างภาษาของกัน ถ้าหูดไปในเนี่ยวิเลตันหาเนี่ยเยื่อยุจิตใจให้คุงคิดติดข้องในด้านของวัตถุของโลกมันก็ไปยึดไปเกี่ยวเอาถ้าเขาตัหนินินทาไม่ดีไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้มันก็โกรธขึ้นมีทับ ตาซึ่งในศาสตภาษีภาษามันไม่ได้คิดไปทำนองนั้นมันร้องขึง้นกับศาสตร์นอเท่านั้นถ้าเป็นเสียงทื่เป็นข้าสึกศัตรูอย่ า, เย ง, า, ยางเสียงสัตว์ร้ายช้างเสือเป็นต้นมันก็มาแล้วนะถ้าสืบศัตรูเดี๋ยวมันจะมากัดมาฆ่าธรรมะในตัวของเรามีอะไร ถ้าหากมาถึงเข้าและยันผิดของเราดีหรื อ, อยังไหวใจตัวเองหรื อ, อยังว่าบริสุทธ์ไหวใจตัวเองหรื อ, อยังว่าจะไม่ผิดหวังถ้าเกิดอีกมันต้องสอบสืบทีนี้ที่เจริญนะชำระตัวดูสม่ำเสมอสถานที่อย่างนั้น จึงเป็นสถานที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าแนีสอนให้นักปฏิบัติออกประพฤติปฏิบัติในสถานที่อย่างนั้นอย่างอนุสาสตที่อุปชาอาจารย์สันสอนอยู่ลกขมูลและเสนาสนังหนายถึงอยู่ลุกขมูลต่มไม้ภาระหน้าที่คนที่อยู่แบบนั้นมันผิดกันกับอยู่ในบ้านใหญ่ กดีสวยสวยหลับตื่นลืมตามันสะดวกสบายการปัดกวาดดูแลรักษาอะไรมันก็ไม่มีนอกจากบริขารที่ตัวชายท่านั้นมันเลยสบายวันเวลาที่อยู่เดืมตาขึ้นมันก็ไม่มีอะไรผิดบ้างเดินดยังกรองง่ายนั่งภาวนาก็สะดวก มันประกอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยู่ในสถานที่อย่างนั้นจะไปคิดงโยงโยงเกี่ยวกับเรื่องอื่ น, นๆก็สมควรแล้วหรือหนีมาจากวัดจากวจากวจากบ้านจากช่องประชาชนั่วไปถือว่าเรามารีภาวนาทําความเลีย<ๆ>นเกิดสนจิตใจจึงไปโยงโยงเกี่ยวกับเรื่อง โลเรื่องสองสารเรื่องนอกมันสมควรหรือกับเพศของเรากับคำที่เขาให้เกียดว่ามาประพึ่งปฏิบัติมันจะต้องดูจิตใจของตัวเมื่อมันวกคิดออกไปในทางผิดด้วยอำนาจสติที่มีอยู่รู้แล้วมีปัญญาวิจัยวิจารณว่าการคิดอ่านนี้ มันเป็นไปเสือทางดีหรือทางชั่วเป็นไปเสือทางสะสมจิตฤทธิหรือทำลายจิตฤทธิมันจะต้องดูในจิตในใจของตัวนี่หมายถึงถูกไปประพฤติปฏิบัติจะต้องดูภายในจิตใจของตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาเมื่อเราทำถูกต้องตามทำตามวินัย พระพุทธเจ้าทรงแนะนเอาไว้ถึงจิตใจยังเนยรวมลงเป็นหนึ่งมันก่อเย็นเพราะกายวายจาใจไม่ได้ทำไม่ได้พูดไม่ได้คิดไปในทางชั่วทางเสียอะไรไม่ได้ขาดทุนทุนกำไรใจมันเย็นมันสบายนอกจากนั้น พอเราพิจารณาเข้าไป ม, มากๆกำหนดเข้าไป ม, มากๆอยู่ในกรอบในวงข้องอัดท้องทมจิตก็จะรวมลงเป็นการเป็นสมัยปล่อยประลดทิ้งไปหมดอารมณ์สัญญาที่เคยมีมาในอดีตปัจจุบันจิตเป็นหนึ่งเงียบสงบมีแต่ความรู้อย่างเดียวเท่านั้น อัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะก่อนเก่าเราไม่เคยพบเคยเห็นความเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะนั่งระยะเวลานานขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรที่จะเจ็บปวดเหมื่อยหิวการเวลาไม่มีพอจิตนั้นไม่ออกนอก สงบนิ่งเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นพอถอดถอนออกมาจากนั้นความเชื่อมั่นในอจในธรรมก็เชื่อมากขึ้นเพราะเหตุใดเพราะใจเขาไปสงบปล่อยวางละถอนเรื่องกิเลสันหาเรื่องธาตุเรื่องขันอยู่เอกเทศเฉพาะมันมันมีความสุขความสบายอย่างนี้ ไล้เกิอดอศัศจันทร์ขึ้นอยากจะเห็นอยากจะเ็นอย่างนั้นเลีวก็พิจารณาอัตธรรมที่เคยสงสัยข้องใจโดยอำนาจสมาธิที่เกิดมีในจิตในใจจิตเคยลงรวมเป็นหนึ่งแล้วความตรงจิตจิตค่องเรื่องนอกมันหมดไปมันจะมาตรวจตาความสงสัย ต่างๆในจิตในใจที่าจรนาแก้ไขความขัดข้องความยึดถือต่างๆโดยมากปฏิบัติเบืนน้องต้นมันก็ยึดเรื่องของกายเป็นเราเป็นเขายึดเรื่องของกายให้เกิดความรักความชอบความเหียดความชังต่างๆ แต่เมื่อจิตมีสมาธิมีอัตมีธรรมในจิตในใจจริงจังมาเจียนากายด้วยสติด้วยปัญญาด้วยธรรมะจริงจังเพื่อจะละจะถอนสิ่งที่ยึดมัน่นถือมันม่นนันนั้นให้ตกออกหมดไปจากใจของตัวด้วยอุบายวิธีต่างต่างตามแต่ความถนัด ของแต่ละคนจะพิจรารณากันแต่ก็พิจรารณาสรุปลงในเรื่องอนิจจงคือความไม่เที่ยงทุกขงังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใสตัวตนคนสัตว์สรุปลงไปในแงน่นี้แต่ความยึดมั่นถือมั่นความติดข้องข้องใจนั้น เดิมมาเราไม่ได้แยกแยะที่นี้พิจารณาดูแน่นอนเราจึงหลงไหลไฝ่ฝันยึดถือว่ามันสวยมันงามมันมันทงท้าวรต่างๆเมื่อจิตมีสมาธิมีธรรมในตัวการพิจารณานั้นมันจะตรงกันข้าม มันในเดยพิจารณาเพื่อหย อ, อยุจิตใจให้เกิดความกำหนัดยินดีราคาตันหามันพิจารณาทางตรงกันข้ามคือทางละทางถอนพิจารณาสอนจิตให้มันเห็นตามอัตธรรมที่เป็นจริงคือความจริงของกายนั้นไม่ว่ากาย ผู้หญิงไม่ละกายผู้ชายไม่ว่ากายนักบวชกายเขแล้วว่ามันเหมือนกันมันไม่มีอะไรตั้งมัน่นไม่มีอะไรสวยงามพิ่เจรนาดูให่รู้ให้เข้าใจตามความเป็นจริงของมันตลกหนังออกไปเหลือแต่เนื้อเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันมีความยินดีความชอบใจไหม นันใน ม, มีใครที่จะยินดีเชียงเป็นบาดแขลนิดหน่อยเท่านั้นไปนั่งอ่วมรับทานกันเขาก็บเบื่อหน่ายเียชัพราะแขลที่มองเห็นนั้นมันน่าเสียมิถะะ้าถลกหนังออกไปหมดเหลือแต่นเนื้อจะเป็นอย่างไรเอาเนื้อออกกองไว้เอาหนังออกกองไว้เอาเส้นเอ็นใส่ ใหญ่ใส่น้อยตับคุง้งกองไว้เป็นกองกองมันเป็นอย่างไรมันทำให้กำหนัดยินดีนไหมเป็นของหน้าชอบหน้ารักไหมกระดูกท่อนน้อยท่อนใหญ่เก็บกองกันไว้มันเป็นอย่างไรเอาไฟเผาเข้าให้เป็นเท่าเป็นฐานไฟมันมีอะไรเป็นสัตว์เป็นคน ทำไมมันไปลุ่มไปหลงไ ป, ไปยึดไปถือว่าอันนี้มันดีมันดีศิเราจะต้องพินิธที่แจะนะทำระใจของตัวโดวยอุบายปัญญาต่างๆ่างให้มันเห็นให้มันเข้าใจชัดเจนในสิ่งเหมือนนั้นเมื่อมันเห็นชัดเจนในจิตของตัวแล้วเรื่องการละ ไม่ต้องบอกมันเพราะเหตุใดเพราะของเหล่านั้นมันเป็นของไม่เที่ยงมันมีการแย่ปวนเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมันเราไม่เผาไม่ฝังมันหน้าผี่นของมันถาดอะไรมันก็จะต้องลั่วไหลซนทราบลงไปสู่ถาดเดิมของมันอยู่อย่างนั้นและเรื่องเหล่านั้นของเหล่านั้น ในใส่ของสวยสดงดงามในใส่ของหอมหวนชวนดมมีแต่ของปติกูลทางนั้นตกถูกที่นั่งที่นอนอาหารการกินของเราเราก็ไม่ชอบรังเกียดเพราะเหตุใดพอเป็นของโกระปกอย่างอยูใ่ใน่าของเราน้ำลายที่เรากลืนลงไปกลืนได้ อาหารการกินก็ไปทุกเขากับน้ำลายกับมูลฟันแต่ขอตาไม่เห็นกลืนได้แต่เนื้อทมออกมาบ้วนออกมาใส่ถ้วยใส่จานอาหารที่เรากำลังทานอยู่เป็นอย่างไรใครเล่าที่เขานัง่งอยู่นั้นว่ะเป็นของดีของดีแต่ต้องลุ ก, ลกหนีหรือฆ่าซื้อกันขึ้นถ้าจินยังไม่อิ่ม มันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้ไม่ได้พิจารณากันมันจินหลงนะมันแดงแดงแข้มมันแดงแดงมันก็เลือดถ้ามันหยดย่อยลงมาถูกผ้าถูกน้ําดื่มมันเป็นอย่างไรล่ะมันสวยไหมงามไหมนี่คือการพิจารณาในเรื่องของกายให้มันทั่วให้มันถึง ให้มันเห็นไปจากชา่เพียในจิตในใจใจเท่านั้นไปหมายไปยึดความจรยงเรื่องของเขาเราจะว่าสวยงามเขาก็ไม่สร้างเราจะว่าชีวิตคือเลวเขาก็ไม่เสียดไม่กลัว <c oughs> เขาอยู่ตามหน้าที่ของเขาเป็ <c oughs> ในใจ ต, ตามหน้าที่ของเขาแต่เราก็หลงเรื่องของโลกเพราะเคยได้ยินได้ฟังมาแต่ในในไหนแต่้ร อูยาตาถวดทักขวกข่วนผุงพอแม่เคยเล่าว่ามันงามอย่างนั้นมันสวยอย่างนี้เลยไม่ได้พิจารณาอะไรเข้าใจว่ามันสวยมันงามอย่างเพราะว่าเพราะกีดเด็ดันหาปกปิดกบาบังเอาไว้ไม่มีอาจมีทำอะไรในจิตในใจที่จะไปแก้ไขให้เห็นตามเป็นจริงมันจึงลืมลองอยึดถือ ติตมั่นเรื่อยมาถ้าหากมีธรรมะในจิตในใจจะแจ้ไขที่เจรนาให้เข้าใจตามเป็นจริงมันไม่มีอะไรที่จะมาหลอกลวงติด บ, บังโลกอันนี้ความจริงของมันเป็นอย่างไรเข้าใจอย่างนั้นไน ม, มีอะไรที่จะทำให้จิตใจหวั่นไหว ทำให้จิตใจรักให้โกรธเกลียดต่างๆมีหมายถึงัวนถึกอรมจิตใจให้เห็นให้เป็นในอจในธรรมถอดถอนความยึดถือในเรื่องของกายว่าเป็นเราเราเป็นกายตลอดถึงเรื่องภายใน คือเรื่องนา ม, มาทรรมเมื่อมันออกจากเรื่องของจายมันก็เ่าไปหาเรื่องของนามคือเวทนาสัญญาสร้างฐานซึ่งมันมีอยู่ภายในนั่นก็ภาบทัดเข้าใจตามเป็นจริงอีกว่าสิ่งเหล่านี้ <c oughs> มันเป็นั้งแต่เทียงขันไม่ใช่ความบริสุทธ ไม่ใส่จิตจิตไม่ใช่ขันขันไม่ใช่จิตทีนี้ที่แจ ي า ا จนเห็นเข้าใจชัดเจนอีกเหมือนกันว่าขันอันนี้มันไม่ใช่ชี้เหลือปัญหาหน้าขีดของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามหน้าขีดของมันรูปมันเป็นของมองเห็นโดยตามันเป็นของหยาขันมันทวาทราบจากจิตจากใจของเรา เราก็พิจารณามันไปทำนองเดียวกับรูปว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำนองเดียวกันผู้ถือหาทราบเรื่องเหล่านี้คือใครเราเข้าใจเราเห็นหรือไม่เืียงจะว่าจิตแต่ไม่เคยเห็นจิตว่าเป็นอย่างไรเจียงจจวลาขันแต่ไม่ทราบว่าขัน คืออะไรเลยเข้าใจว่าจิตเป็นขันธ์ขันธ์เป็นจิตเราเป็นกายกายเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเรามันได้ยุ่มกันอยู่นั้นเพราะไม่มีธรรมะจิตยังไม่ละเอียดพอเจริญในสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายยังไม่ออกถ้าเป็นเพ็ดเป็นพลอย มันก็ยังผสมกันอยู่กับหินกับกวาดมันยังไเป็นเพชรเป็นคอยถือบริสุทธิ์ถ้าเราเจริญในบริสุทธิ์แล้วเพชรก็เป็นเพชรพลอยก็เป็นพอยหินกวาดึ่งเป็นของนอกเหนือไปจากเพชรจากคอยมันก็ตกออกไปหลุดออกไปพอเราเจริญในขับไล่ เมือมันเป็นอย่างนั้นเราจะไปทิ้งไว้ที่ไหนเยินไปที่ไหนใส่ในดินในหินในกวดอีกมันก็ไม่ตายเป็นหินเป็นกวดได้อีกอนี่เคยจิตถ้าคทนนี้พิจาจนา ร, รู้เข้าใจชัดเจนรูปเวขนาสัญญาทั้งฐานวิญญาณมันก็มีอยู่ทิ้งเหล่านี้แต่ก่อนมันเคยมีกิเลสตัญหา หลุ่นหลงชอบพอแต่เมื่อพี่เจนะเดียทธรรมจริงจังแล้วเข้าใจชัดเจนแล้วรูปเสียงมันมีอยู่ในโลกเราจังไม่เกิดมันก็มีอยู่อย่างนี้เราเกิดมาแล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้เราตายไปแล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้มันไม่มีอะไรที่จะขาดจากโลกไปสมบัติของโลกมันมีอยู่ในโลกคนหลงเท่านั้นเกิดความ ออใจพอใจเกิดความหลงไหลใฝ่ฝันนำไฟสุลาทะโทสะโมหะมาเผาตัวค้องตัวเพราะครามไม่รู้ไม่ขอยใจในอดในธรรมตามจริงจริงของมันจึงเกิดความทุกข์เดือดร้อนแผดเผาตัวอย่างนั้นาพี่เจาะอยใจชัดเจนเรื่องเหล่านี้มันมีอยู่อย่างไรมันกบีอยู่อย่างนะ มันไหนมีอะไรที่จะไปทาให้ผู้ปฏิบัติผู้มีอาตมีธรรมเดือดร้อนพอเห็นเข้าใจชัดเจนในสิ่งหนัน้นละขาดในอุปทานคือความยึดถือของใจนี่การปฏริบัติทุกคนจะต้องเป็นต้องเห็นต้องเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นมันจึงจะละขาด ถอนออกไปได้ในมีอะไรที่จะลืมหลงจะยึดถือไหนว่าฝ่ายรูปฝ่ายนามฝ่ายดีฝ่ายชั่วสมมุติมันไปถึงจุดไหนเข้าใจรีมดุดซึ่งเหนือจากสมมุติเป็นอย่างไรเห็นประจักษ์จึงนมีอะไร ที่จะสงสัยพ้าเข้ากันอีกคือการปฏริบัติตามอัตถรรที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อเห็นเมืเ่อเป็นอย่างนั้นมันจริงเย็นจริงสบายไม่มีภัยอันตรายจะตายจะอยู่คุณค่าเสมอเดิมไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปไม่มีอะไรที่จะน้า ดีใจเสียใจสิ่งที่เราต้องการเราประพฤตปฏิบัติรู้เห็นเด่นชัดเข้าใจชัดเจนแล้วนี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติถึงอัดถึงธรรมจริงจังท่านทุกท่านสบายไม่วุ่นวายกังวลเราทุกคนที่มีจิต劣ตัญหา ก็ควรต่างหน้าต่างตาที่มิพิจารณาสำราญใจของตัวไม่มีอะไรที่จะเป็นคิดเป็นไทยเป็นทุกข์เป็นโทษเท่ากับจิตของตัวที่หลงในเรื่องยิเงใหตัญหาเกิดทุกข์เกิกเกกดโทษอยู่ทุกวันทุกเวลาเวรร้อนวุ่นวายแต่ก็ไม่ เค็ดลับในที่นี้คือเจานาในธรรมละศาสตร์จะไปหาความเย็นในไฟมันหาความเย็นใ่ได้ราคะทินาโทสัจทินาโมหัตินาความกำนัดยินดีนเพิเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทันบอไฟตามันก็เป็นไฟรูปมันก็เป็นไฟริญญานความรู้มันก็เป็นไฟ เพาใจมันเป็นไฟใจมันชั่วมันหลงฉะนั้นจึงควรกำหนดีคุณพิจารณาชำระใจของตัวโลกอันนี้มันไม่มีอะไรที่จะได้เป็นของของตัวใครจะยึดมั่นขนาดไหนก็อโกยแสแหวงหาขนาดไหน มันก็เพียงสมมุติแบบขอห้องตัวอยู่ชั่วระยะที่มีลมหายใจเท่านั้นพอตายไปถาตขันเนืเน้อหนังเอ็นกระดูกก็หอบไปไม่ได้จะไปหวุนวายสงสัยยินดีเต็มใจทำใหม่ทีนี้พิจารณาแจ่ไขพิจารณาหาความสุขความสงบของใจให้ได้การปฏริบัติ ปฏิบัติอยู่ในตัวของตัวมีสติรู้มีปัญญาที่เยนารอดสิ่งที่มันเกิดขึ้นผ่านมาจึงได้เชื่อผู้ปฏิบัติถ้าขาดสติขาดปัญญาถึงจะนัง่งภาวานาเดินจยนลมมากขนาดไหนแต่สติในอยู่กับตัวปัญญาในทราบ่ะ เชื่อดีที่ถูกอะไรนั่นมันไม่เกิดสาราประโยชน์ให้แต่นั้นขอทุกคนจงฝึกฝนทีนิสิีเจรนญนำสติ ป, ปัญญาสำราใจของตัวการเวลามันมีมาแต่เรายังไม่เกิดเราเกิดมาแล้วตายไปแล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้ถ้าม่ทาความดีสาระตัวการเวลามันไม่ทำให้ เราจะเอาความบริสุทธิ์ความสุขความสงบจากอะไรถ้าเราไม่ทำไม่ประพฤติปฏิบัติให้เห็นให้เป็นในจิตในใจมันหมดคุณค่าฉะนั้นขอทุกท่านจงหมั่นพิจิรเจนะนธรรมะของพระุทธเจ้าชำระกิเลสตัณหาออกจากใจเมื่อเราชำระตกขาดออกไปได้เท่าไรความสุขความสบาย ความสงบของใจก็จะเกิดขึ้นเท่านั้นการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรในเวลาพราะยุเปีนี้เอวครับ